โมทนาเขาจะเลยพอทั้งยมออเขาจะคุยมีผลิตที่มาสนทนากันในเรื่องของสังสารวัตรก็สนทนาจะไปตามสะดวกสบายก็คุยไปถึงตรงไหนสอบถามก็บันทึกเป็นไปตามตามข้อมูลที่น่าคุยเนี่ยก็คือปารากฏในเรื่องคาว่าสังสารวัตก็จะเป็นข้อมูลในการวิคนวาและจะได้จารึกระเบิดรึในการที่จะทําการทำสิน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 เวทพระพุทธเจ้านี่ไงนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์สอทาทั้งหมดเลยนี่เรากำลังพิจารณาดูว่าโอ้สังสารวัตมันยาวนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสังสารวัตเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกกับท่ า, านยมราชไปก็คือว่ามีในบทของพุทธคุณคำว่าอาราหังเนี่ยอาราหังก็คือ พ, พราะพระภูมีโยปภาคนั้นเป็นนาฏทรงทําลายฆ่าสึกทั้งปวงก็คืคอกิเลสคือราค่าโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิชายินดกาโนตตตอุทะจักก็คือทําลายด้วยสัตวุธก็คือปัญญาในอริยธรรมเพราะเหตุนี้นะเนี่ยพระองค์จึงได้รัก ข, น, ขนาดพระน า, น า, วามนนว่าอรหันเนี่ยคําว่าอรหันอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าหักหักหักําลังเห็นสังสารจักร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 แล้วเขาบอกว่สสาตันขาขาที่นี่มีแค่นั้นแต่ล้อมันหมุนได้มันไม่ได้มันต้องมีเพลาเอ็เพลาคือเหล็กที่สอดเข้าไปในดุมเขาเรียกเพลา<ม>เพาของล้อเพลาของรถเอ็เพลาตัวเนี้ยท่นเหนาา ม, กกมือนอาสวะสมุทัยโกกามาสวะปวะสวะทิฏฐาสวะที่ทเหล่าเอ็กอาสวะเหล่านี้เป็นสอดเข้าไปชื่อว่าเป็นอาสวะสมุทยัยก็เป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลายนิยมิชาเป็นต้น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 มันกรึ่งไปได้เลยลอ้อเอาสิมันพาโครงพาอะไรไปได้หมดอ่ะพาดุลไปได้พากรรมไปได้พาเทาไอ้พาพาดุลพากรรมพากรมไปได้ไอซ้ซี่ไอ้ตัวกงเนี่ยกงรอบนอกเหมือนชาราบารณะเป็นเชือกันห้างน่าจะขันห้าแต่ท่านพูดถึงชาราบารณะก็มีชาติเป็นปัจจัยไงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปวิบัติขัดภาค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 คันดางปฏิปาติจาราธาตุอายตนะนะจาอโพชินังวัตมานาสังสารโรตีปวัจตีนะเนี่ยบอกลำดับแห่งการหมุน่งขันการหมุนของท่าการหมุนของอายตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายนี่แหละเรียกว่าสังสาร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 เป็สถานที่ที่ทำให้พ ย, ยานของพระพุทธเจ้าผองไสหรือโพธิมุนทนโพธิมุนทนใหพยานของพระพุทธเจ้าไปผ่องไสในที่ตรงนี้แต่ก่อนไม่เคยผ่องไสมาเลยอะในสังสารวัฏมายี่สิบประสร<อ>งใสยิ่งด้วยแสงมหากรบไม่ผ่องใสแต่มาส่องใสผ่องไสงสายแก้วในที่ตรงนี้ถึงความผ่องใสเห่งพ ย, ยานกล่าววือโพธิโพธิก็แปลว่าปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็นกคือผ่องไสสายแก้วในะสถานที่นี้ในการนี้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 แล้วมักต้องเป็นอริยมักเยียเวลาที่วิชาวมัด <Yeah. S 1> ใช่ไหมต้องลาด้วยอริยมักเท่า น, นั้นถึงจะสามารถละอะไรละกิเลสแล้วก็ละกรรมในดีเพื่อจะได้ไม่ให้วิบากที่จะเชื่อมโยงไปในอนาคตอีกต่อไปห็น mm. ไหมเนี่ยเราจะได้เห็นถ้าอาจารยกก์มัดเกลี้ยงเยเนี่ย สกาคาคามีมาระยังไงนาคามีมารปฏิการวิบากมีการมาพบทั้งหมดลา้ามูลเลยเองไอสังขารในการมาพบที่เป็นเจนนากรรมทั้งหลายกิเลสที่เป็นเยนถึงกรในในในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในการมาพบหมดเล ย, ยเกลี้ยงเลยเนี่ยถ้าหากว่าโสดาปิมาร ก, ก็คืออบายภูมิเกลี้ยงเลยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าอารามมาก็เย็นสงบนี่ไงาาก็เรียกขัดกรรมเหมือนคุณโยบอกว่าเหมือนโยบอกว่า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 ไม่ใช่ต้องต้องเชื่อมระหว่างตัว่น้นก็เป็นวงกหรอนั่นแหละไม่ต้องวงเลเขาจะรู้เขาจะรู้คนอ่านพวกนีัไม่จับมันมออเราเห็นเป็นตัวเล็กใช่ไหฮะแล้วแต่เราใส่ตัวหนาตัวบางคอ่เอาไปฟูนไม่ได้รหัางกใช่ต้องจะเป็นตัวหนาตัวหนาไม่ตัวบางไมได้ทังนั้นแล้วแต่เราจะย้ําแต่คนนี้มันเป็นคาพูดของเราไม่พราะว่าเขาจะรู้เลยว่าต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องภาษเยะที่จะชัด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 ถ้าจะตกองเมื่อคนลรสูตรกันเนี่ยทํางยมยา์เป็นคนที่เป็นผู้นำเสนอ<ฆ>เป็นหน้าที่ของยมยานจะต้องเชื่อในคนเดินให้ถึงเรงผิดเลยค่นะทักษิณนัคืออธิบายนอกเนะี<ฆ>่ยนี่เรานอกไปที่ไหนก็ไม่ได้นอกสมมติว่าพุทธพจน์พูดแค่นี้<ฆ>เรื่ออธิบายลึกไปถึงนั้นเราอธิบายไปอีกมุมห<ฆ>ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพุทธพจน์บอกว่า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 แล้วกอธิบายอนาคตแล้วประโยคที่กลางก็อธิบายาปฏิบัติท่าน อ, อธิบายอยู่แล้วนี่เราไปไปิบายเอาอาดีตแต่กลัวจะขัดหลักปฏิบัติของเรเองก็เลยรีบดึงอดีตมาอยู่ปัจิบันอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเช่นว่าปัจฉาเตมาหุกจินยนางอันานี้เป็นอนาคตอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนมัจเชจะโนคเเหสสิได้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเห็นไหม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 ถ้าเขาจะรู้ซึ่งซึ่งคุณโยมก็ทําอยู่ไปคถึงสังเกตดูในหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธประวัติที่ทํามาใช่ไหมก็จะมีบางทีมีวงเล็บไปนิดนิดใช่ไหมว่าหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นว่าอันนี้กระชาติสังสารราสังเนี่ยเป็นต้นเนี่ยบอกว่าบอกว่าในช่างผู้สร้างเรือนใช่ไหมเราเราเดือดท่องเออเออค้นหาเจ้าไาอย่างยาวนาน